ประชุมสง์สอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุสงสอบถามท่านพระทัพรทพระมรบุตรว่าทัพพระเธอจำได้ไหมว่าได้ทำตามที่ภิกษุณีนี่กล่าวหาท่านพระทัพพระมรบุตรกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแม้ครั้งที่สองละแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระทัพภะมมลบุรว่าทัพพระเธอจำได้ไหมว่าได้ทำตามที่ภิกษุณีนี่กล่าวหาพระทัพภามัลบุรก็กราบทูลว่า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 พระพุทธเจ้าข้าตั้งแต่เกิดมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จากการเสพเมถุนธรรมแม้ในความฝันไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อตอนตื่นอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงให้นางภิกษุณีเมติยาศึก จงสอบถามภิกษุเหล่านี้แล้วเสด็จจากที่ประทับเข้าพระวิหารหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายจึงให้นางภิกษุณีเมติยาศึกแต่พระเมติยะและพระภูมิมชกะได้แจ้งภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายอย่าให้นางภิกษุณีเมติยาศึกเลยนางไม่มีความผิดพวกกระผมกโกรธไม่พอใจ ต้องการให้พระทัพพระมลระบุตรพ้นจากพรหมจันท ร, ร์จึงชักจูงนางภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านใส่ความพระทัพพระมลระบุตรด้วยสีลวิบัตทิที่ไม่มีมูลหรือบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโผนทนาว่าชะไหนพระเมตติยะและพระภูมิมชกะ จึงใส่ความท่านพระทัพพระมละบุทด้วยสีลวิบัติที่ไม่มีมูลเล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ